Book two. Ten days. When, today, t o m o r r o Ontem, hoje, amanhã. When i น Saturday? Ontem foi sábado. เมื่อวานดิฉันไปดูหนังหนังน่าสนใจภาพยนต์น่าสนใจวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันนี้ดิฉันไม่ทำงาน Hoje não trabalho. Dei chan, eu fico em casa. p r ó x i m a n h a é segunda-feira. Próximo dia de chan, v o a trabalhar. ดิฉันทำงานที่สำนักงาน trabalho no escritório คนนั้นคือใคร s ค e คนนั้นคือปีเตอร์ปีเตอร์เป็นนักศึกษา Pedro é estudante คนนั้นคือใครคนนั้นคือมาธามาธาเป็นเลขานุกานปีเตอร์และมาธาเป็นเพื่อนกัน ปีเตอร์เป็นเพื่อนของมาธา pe d รูเอ๋ออัมมิโก้ดามาร์าธาเป็นเพื่อนของปีเตอร์ m a r t a าเ a ๋ออัมมิกาโดรูการูนาไปที่ w w w b o o k t o d e